ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับปรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูณ์อภิปุโ น, โนในตุ ว, วันพุทธเป็นช่วงของใต้ร่มโพธิบทรำมาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิเป็นอารมันเดียวกันสักครู่หนึ่งตัวง่ังประมาณสัก5นาทีสิบนาที เพื่อให้จิตคนนั้นพร้อมแก่การที่จะไปฟังธรรมการฟังธรรมต้องรบอบคอบประณีตละเอียดเหมือนกับการที่เราจะทำงานเหมือนกับการที่เราจะเดินทางเหมือนกับการที่เราจะพูดคุยมันต้องมีการเตรียมการจะเดินทางก็ต้องเตรียมของจะพูดคุยก็ต้องเตรียมเรื่องจะทำงางก็ต้องมีการเตรียมการ เตรียมด้วยการที่ทําจิตของเราให้เป็นอารมณ์เดียววันนี้เราหายใจลึกๆสักสองสามครั้งดูหายใจเข้าลึกๆเข้าหายใจออกยาวๆออกหายใจเข้าลึกๆเข้าลึกเข้ากว่าเดิมอีกหายใจออกยาวๆยา ว, ยา ว, ยาวผ่อนออกไปอีกสักสองสามครั้งนี่คือบังคับเลยนี่บบว่าฝึกเอาเลยทำเอาเลย ให้แบบว่าควบคุมลมหายใจแล้วละ่ะเสร็จแล้วปล่อยเป็นธรรมดาปล่อยเป็นธรรมชาติาหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆสองสามครั้งเพื่อเราตั้งสติได้ทุกฝ่ายตั้งวงในตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมหายใจมันจะอยู่ในบริเวณด้านในโพรงจมูกที่จะเป็นเนื้อเยื่อะละเอียดอ่อนอยู่บริเวณนั้น แล้วห้ใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเป็นปกติเหลือเราหายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาเราไม่ได้จะไปใส่ใจเราทุกฝังว่ามันจะลมร้อนลมเย็นเป็นแรงหรือค่อยทีหรือห่างเร็วชา้าหรือว่าจะลมเปียกบ้างลมแห้งบ้างเราไม่ได้สนใจตรงนั้นแต่เรามาสนใจอยู่ที่จุดสัมผัสไง รับรู้สัมผัสได้ตรงไหนเอาตั้งไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องตามลมด้วยไม่ต้องบังคับลมด้วยในขณะที่เรารู้ลมความระเบิดได้นั้นน่ะคือสติลมหายใจไม่ใช่สตินะท่าฟังลมหายใจไม่ใช่สติเรไม่ใช่เป็นกายเป็นาธาตุลมสัมผัสที่เกิดขึ้นในโพรงจมูกนั้นก็ไม่ใช่ลมไม่ใช่สติแต่สัมผัสนั้นเป็นผ่าษาทางกาย ปัสสาวทางกายเกิดขึ้นระลมมาโดนไงเหมือนเราถูกสะ ก, กิดหรือมีอะไรมากระทบตัวเราเรารู้สึกทางผิวหนังได้จิ่งเดียวกันนี้เป็นลมแต่มันอยู่ด้านในโพรงจมูกนั่นก็เป็นทางกายเป็นผลทพะที่มากระทบเป็นปันสสานั่นก็ไม่ใช่สติสติคือความระลึกได้เราลึกถึงลมนะที่จุดนี้ความนึกได้นะั่นแหะคือสติ สติเกิดขึ้นแล้วจะมีผลยังไงความที่เราจะเผลอเพลินไปตามเสียงตามภาพตามความคิดนึกมันจะพอนลงมันจะเบาลงทำไมเป็นยังไงได้ก็สติมันตรงข้ามกับความเพลินสติตรงข้ามกับความเผลอสติตรงข้ามกับความลืมถ้าคนไม่ลืมไม่เผลอไม่เพลินนะก็คือมีสติไงล่ะโ อ, โอเคเขา้าใจละ เป็นเราสร้างสติขึ้นใช่ไหมไอ้ความลืมความเผลอความเพลินมันก็จะเบาลงไงเพราะมันตรงข้ามกันความเพลินความเผลอมันไปทางไหนจะเผลอเป็นอะไรเพลเินเป็นอะไรลืมลมแล้วไปนึกถึงอะไรมันก็ไม่นึกถึงเสียงผ่านทางหัวแหละรูปผ่านทางตาดนตรีบ้างอาหารบ้างผู้คนบ้างเรื่องราวนั้นนี้โน้นบ้างเออในการที่ เราไปนึกถึงเรื่องนั้นบางทีมันก็เพลินไปถ้าไม่มีอะไรยับยั้งนะมันเพลินไปคิดเรื่องคนนี้เราคิดเรื่องคนนั้นต่อไปคิดเรื่องธรรมะนี่เราคิดเรื่องธรรมะโน้นต่อไปแม้แต่เราคิดถึงธรรมะนี่ยมันเพลินได้นะนี่ไงเราจึงต้อ ง, งมาทำสมาธินีนะะนะ่ยเพราะะเพื่อกำจัดความเพลินเพราะว่าถ้าเราเพลินไปตามเสียงนั้นไม่วัดเสียงนั้นจะเป็น เรื่องธรรมะถ้าเราเพลินไปตามความคิดนั้นไม่ยควาความคิดนั้นจะเป็นเรื่องธรรมะก็ตามเกิดเพลินไปตา ม, มนี่คือเหมือนกันการที่เราไปจับงูพิษแล้วก็ถูกงูพิษกัดเลยนะเพราะว่าถ้าเราเพลินไปตามธรรมะมันอาจจะต้องได้มีการเถียงกันต่อไปว่าธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะไม่ใช่อย่างงี้อีกคนหนึ่งก็ถ้าเพลินไปในธรรมะอีกมันก็ต้องเสียงขึ้นแล้วว่าธรรมะ ต, ต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่เป็นอย่างนั้น เกิดการตะเลาะวิวาทบาทมากกันละไม่ดีการที่เราจะป้องกันสิ่งนั้นได้คือการที่เราตั้งสติขึ้นอย่างระวังไม่เลิ n ไปไม่เผลอไปไม่ฝังใจปักลงไปในสิ่งนั้นด้วยการที่มีความระลึกได์หรืออะไรในที่นี้เราใช้ลมหายใจคืออนาปานสติพอเรานึกถึงลม ความระลึกได้นั้นคือสติสติที่เกิดขึ้นเราก็เรียกอันนี้ว่าเป็นอาณาปานสติหรือเอาความคิดดูกระดับวันนี้เรามาทำสองอย่างเลยเอาความคิดมาเอาความคิดเรื่องที่เราเคยไปให้ทานมาเอาฉันเคยใส่บาทที่วัดนั้นโอาฉันเคยทำประตูโบสถ์วัดโนนโอ้ฉันก็ทำเสาเอกด้วยฉันก็สร้างเสนาสนะสิ่งปลูกสร้างกุฏิวิหาร ลานจงกรมหรือแม้แต่ทําสื่อธรรมะผู้นี้เป็นบุญหมดอ่ะที่เราสละออกนั่คือการให้ทานใช่ไหมคิดถึงเลยคิดถึงคิดถึงระลึกถึงเรื่องดีๆเนี่ยความระลึกได้นั้นถ้าเรื่องดีนั้นเป็นเรื่องการให้ทานความระลึกได้นั้นก็เป็นจารคานุสติไงทั้งวันเลยถ้าเรานึกถึง อ, อ่คราวนี้เรามานึกถึงสิ่งของเราดูก็ได้อ่ะ ตอนนั้นเนี่ยโอ้จะลงมือฆ่าสัตว์แล้วจะตบยุงเนี้เออไม่ตบก็แลกกันให้ชีวิตมันฮะเราบริจาคเลือดให้มันดึงหลอดน้อยๆให้ยุงนี้เกียเกียรมันเอาไปแทนไม่ตีมันเอานี้คุณมีสีนี่นี่โอาระลึกถึงตรงนี้ความระลึกได้เนี่ยมันก็เป็นศีลานุสติไงเพราะว่าแทนที่จิตของเราจะไปตามความคิดเรื่องที่เป็นอกุศลอยู่ไหม เน่นอนบางทีบางคนเนี่ยคิดวินาทีหนึ่งสามเรื่องอะ่ะแราคิดเรื่องให้ทานโดยเราก็คิดเรื่องคนนั้นหโดยมันล้วงกระเป๋าคนนี้เห็นเรื่องไม่ดีอยู่ในที่ให้ทานนั้นโอ้ร้อนก่อร้อนคนก่อเยอะอะไรก็คิดไปใช่ไหมความคิดมีหลายอย่างแต่เอาตรงความคิดที่เราได้ให้ทานนั้นอะ่ะให้ความที่เราจะเพลินตามอารมณ์เลื่องดีเป็นทางลบนี่มันจนลดลงเพระอะไรนะเพราะสติมันตรงข้ามกับความเพลินไงท่างฟัง สติอยู่ทไหนเปลินก็ลดลงขึ้นที่นั้นสติมีกำลังมากเท่าไรความเปลินก็ลดลงมากตามตัวไปด้วยเราตั้งสติของเราเอาไว้ให้ดีตังางวางไม่ว่าจะด้วยการเจริญอาณาปานาสติด้วยการเจริญจาคานุสติหรือการเจริญศีล น, นุสติได้หมด อย่างมานึกถึงบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับจากไปแล้วนี่เราคิดนึกถึงท่านในความดีของท่านอันนั้นก็เป็นเทวตานุสติอนุสติมี1ิบประการเราจะเลือกอันไหนมาใช้ก็ได้ทุกังแต่ก็ให้ทำก็ให้ปฏิบัติให้ ร, รักษาจิตที่เป็นสมาธิมีเอาไว้ของเราให้ดีให้ ร, รักษาสติที่เราตั้งไว้ให้ดี ตั้งจิตไว้ด้วยสติเอาล่ะธรรมฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อหมวดธรรมะที่จะเมื่อเข้าสู่สมองเข้าสู่จิตใจของเราแล้วจะทำให้เกิดปัญญาธรรมฟัง ปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นที่สมองแต่เกิดขึ้นที่จิตใจแล้วมีผลต่อระบบสมองให้จิตใจนั้นใช้สมองเป็นเูเรื่องมือในการที่จะพูดคิดหรือว่าทำกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งตามแต่ที่จิตนั้นจะมีปัญญาเกิดขึ้นจากการที่เราได้ฟังเรื่องราวต่างๆ อันเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในตั ว, วันพุทธธรรมฟังเป็นช่วงของใต้ร่มพธิบทที่ข้าพเจ้าจะมานำหัวข้อแม่บทธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านได้ไตรตรองกลั่นกรองเลือกเล้นด้วยปยัญญาจึงมีการบรัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยแจง้งแล้วก็ได้ประกาศเอาไว้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ เราคนรุ่นหลังท่านฟังเมื่อท่านได้ประกาศแจกแจงแต่งตั้งเปิดเผยได้ยินได้ฟังข้อมูลเหล่านั้นแล้วนะเออมาจำไว้ในใจให้มันคล่องปากขึ้นใจมาคิดใกร์ครวนพิจารณาให้มันแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญานี่เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆกคุณฟัง มันมีสิ่งของของมีค่าแล้วได้นำเอามาใช้ได้นำเอามาปรับมาแต่งมาทำให้มันเกิดเป็นความดีขึ้นมาก็ได้ประโยชน์กันทุกฝ่ายโดยลักษณะในช่วงของใต้ร่มบริบทนั้นเราก็จะมาทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งอาจจะสักห้านาที10บนาทีเสร็จแล้วก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บททำไมต้องเป็นอย่างนั้น เพราะว่า บ, บางทีความรู้นี่นะมันเป็นเหมือนกับงูพิษได้นะทุั ง, งนะการเรียนความรู้เหมือนเป็นการไปจับงูพิษนั่นเองต้องจับให้ดีจับให้ถูกไม่งั้นงูพิษนั้นมันจะทำอันตรายเราได้ไม่งั้นความรู้ความเรียนนั้นจะทำอันตรายเราได้ เหมนไฟฟ้าเหมือนน้ําประปานี่แหละมีประโยชน์นะใช้ไม่ถูกนี่ชด ต, ตายได้นะไฟฟ้าใช้ไม่ประหยัดนี่เก็บเงินเราโอ้แพงหูฉี่เลยน ะ, น, ะน้ําประปานี่เหมือนกันไม่รู้จักใช้น้ํารั่วไหลมีปัญหาได้นะหรือถ้าไม่ประหยัดเก็บเงินแพงอีกเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่มี มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะก็ลำบากหลายอย่างเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักใช้รู้จักทำให้เหมาะสมจึงต้องมีการทำสมาธินี่ไงเพื่อที่จะเป็นการรู้จักใช้ธรรมะให้เหมาะสมทำไมสมาธิถึงมีความสำคัญนี่วันนี้จะมาอธิบายในเรื่องนี้เลยในพระสูตรหแห่งทู่ฟังพระพระเจ้าจะอธิบายถึงการทำสมาธิว่า เป็นส่วนประกอบของมรกในการที่จะให้เกิดผลคือนิพพานได้นี่ในลหลายๆที่ลหลายๆแห่งจุดที่จะนํามาเสนอในวันนี้เป็นพระสูตรที่มาในอังคุตระนิกายชื่อว่าบิมุติสูตรหรือบางฉบับก็จะใช้หัวข้อของพระสูตรนี้ว่าบิมุตตายาตนะสูตร ในพระชนนิจจะอธิบายถึงความสำคัญของว่าจิตเป็นสมาธิแล้วมันจะทำให้เกิดมิมุติคือความหลุดพ้นคือความที่จะเป็นอิสระจะเครื่องผูกต่างๆการทำงานตรงนี้ในหมวดนี่นะท่านฟังหรือว่าอังคุตรนิกายปัญจกนิบาตในข้อที่26ของหมวดห โดยเนื้อหาข้าพเจ้าได้เคยคุยกับคุณเตือนใจเอาไว้ในช่วงของวันเสาร์ขุดเพชรในประตรายพิดกตีตอนนี้พระมหาไปบูุ์ได้ไปเป็นที่ปรึกษาของอมูนิธิประตรายพิดกสากลแล้วก็ได้นําประตรายพิดกฉบับนั้นมาศึกษามาเปิดเผยเผยแผ่ถึงการทํางานความสําคัญ ของทำไมว่าต้องเป็นจ o b สาคกลอย่างไรมีจุดหนึ่งที่ได้เคยกูดเอาไว้คือความที่ว่าถ้าเราออกเสียงในภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้สืบทอดคำสอนการออกเสียงนั้นจะเป็นเหตุให้ถึงวิมุตได้อย่างหนึ่งเหมือนกันแต่วันนี้จะไม่ได้มาเจาะรายละเอียดในทั้ง5ข้อนั้น แต่ต้องจะมาเจาะรายละเอยียดตรงส่วนนี้ว่าเกิดถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งในห้า ข, ข, ข้อนั้นแล้วกระบวนการการทำงานของมันต่อไปนี่มันเป็นยังไงเอออันนี้น่าสนใจก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นดูฟังเรามาทบทวนนิดหนึ่งว่าข้าพระการที่จะเป็นเหตุสำคัญสู่ความหลุดพ้นนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งในที่นี้ท่านบอกว่าการได้ฟังธรรมะ การที่ว่าเราได้เล่าเรียนได้ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าหรือผู้ที่จํามาจากพระพุทธเจ้าอีกที่หนึ่งไม่ว่าธรรมะที่ได้ฟังนั้นจะมามีรูปแบบของฟังแบบภาษาบาลีเลยคือเป็นภาษาที่สืบทอดคําสอนนั่นมาเลยหรือว่าอธิบายในถ้อยคําภาษาบาลีนั้น อย่างทุกวันนี้ทุกฝังที่เราอ่านพระไตรปิฎกที่แปลเป็นภาษาไทยแล้วเนี่ยนะอันนี้คือการที่ว่าแปลมาจากภาษาที่สืบทอดคำสอนอีกชั้นหนึ่งถึงแม้ว่าจะอ่านพระสูตรเลยเองก็ตามนะทุกฝัง่งนะเพราะว่าถ้าภาษาที่เขาใช้สืบทอดคำสอนจริงๆเนี่ยคือปาลีภาษาหรือที่เราเรียกกันในปัจจุบันว่าภาษาบาลีภาษาบาลีภาษาบาลี ถ้าเขียนในรูปของภาษาบาลีจริงๆก็จะเรียกว่าบาลีภาษาคือจะพูดข้อนี้ให้ท่านฟังเข้าใจก็จะต้องยกอลุ่ ม, มาเปรียบเทียบกับภาษาจีนอย่างนี้เป็นต้นเราบอกว่าไอ้ภาษาจีนคุณรู้ภาษาจีนจีนอะไรอะ่ะจีนแมนดารินหรือว่าจีนหายหล่ำหรือว่าจีนแต่จิว๋วหรือว่าจีนฮกเยียนเอาแมนดารินนี่แหละแมนดรินแมนดารินนี่คือภาษาอังกฤษเขาเรียกภาษา แมนดรินว่าแมนดรินใช่ไหมล่ะแึงจริงคนจีนเขาเรียกภาษาเขาเรียกว่าห oh ัวหยี่หัวหยี่นี่คือภาษาจีนถ้าเปรียบเทียบเดียวกันว่าปาลิภาษานี่คือหัวหยี่แต่เราเรียกภาษาไทยว่าภาษาบาลีอันนี้คือเหมือนกับแมนดรินไงเพราะฉะนั้นที่แปลนี่ก็คือแปลมาแล้วไม่ใช่ภาษาที่ดั้งเดิมสืบทอดมา อันนี้คือลักษณะที่ว่าเป็นการแสดงแต่การที่บอกบอกนี่คือบอกตามภาษาดั้งเดิมไปซึ่งในประเทศไทยเราก็ยังมีปาลีภาษาที่เป็นใช้ตัวอักษรไทยเป็นตัวเขียนใช่แล้วก็มีส่วนที่แปลมาการฟังไม่ว่าจะในแบบไหนไม่ว่าจะเป็นปาลีภาษาหรือในรูปแบบที่แปล บาลีภาษาเป็นภาษาไทยแล้วนั้นหรือจะเป็นที่อธิบายภาษาบาลีด้วยภาษาไทยในคำแบบอื่นๆท่า้หมดจำฟังได้หม ด, ด, หมดถ้าได้ฟังทำแล้วนี่เกิดความเข้าใจจะสามารถทำให้เกิดปีติปราโมได้ีนทบทวนก็ได้นในข้อที่หนึ่งทบทวนในข้อที่สองมือทีเราก็แสดงบอกให้คนหนึ่งก็ฟัง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการบอกรูปแบบของการอธิบายได้หมดเราสอนคนอื่นหนึ่งคือเราฟังมาสองคือเราสอนคนอื่น่า 3. คือการที่เราสัจชายสัจชายในที่นี้หมายถึงเจาะจงลงมาเอาตรงที่เขาบอกมาแล้วเราฟังพยายามให้เข้าใจ พยายามให้ท่องจำให้ได้เราจนต้องมีการออกเสียงท่องตามที่ท่านบอกนั้นมาการออกเสียงตรงนี้ เ, เรียกว่าสัจชายะเอาล้กันที่สัจชายะขึ้นคือออกเสียงมันไม่เหมือนกับแสดงยังไงเพราะเวลาแสดงก็ต้องใช้คำพูดบอกอยู่ดีใช่มต่างกันตรงที่ว่าสัจชายะเนี่ยจะต้องบอกคือพูดเสียงออกไปเนี่ย เป็นบาลีภาษาเท่านั้นไงแต่แสดงนี่คุณจะแสดงเป็นภาษาบาลีหรือคุณจะแสดงเป็นภาษาไทยภาษาจีนภาษาเวียดนามอะไรได้หมดไงขอให้เป็นลักษณะที่เราได้มีการสื่อสารออกไปอาจจะเป็นข้อเขียนอาจจะในขณะที่เราพิมพ์อยู่แต่งหนังสืออยู่ทรงข้อความอยู่ได้หมดแต่ถ้าสัญญาณนี่คือเฉพาะจอด จ, จงว่าออกเสียงแบบนี้แบบนี้ตามภาษาบาลี เทานั้นแล้วก็ข้อที3สาวนข้อที่4นั้นก็คือการที่เราได้ไตรตรองใคร์ครวนตริตรึกถึงธรร ม, ทรมออรระที่เราได้ฟังมาคือเอาเรื่องราวที่เราได้ฟังมามาคิดพิจารณาตามนั่นเองการคิดพิจารณาตามไตรตรองใคร์ครวนเรื่องที่ได้ฟังมามันก็คือการโยนิโสมนัสิกานั่นเองคำว่าเพราะว่าหลักคำสอนของพระพุทธาเวลาท่านสอนให้ใครคิด เรื่องอะไรก็ตามเนี่ยนะก็จะคิดให้เป็นเหตุเป็นผลมีเหตุเกิดมีผลคือความดับยังไงยังไงมันก็ตามเรื่องของอริยสัจสีคิดแบบนี้ก็เป็นโยนิโสมรสิการก็จะเป็นเหตุให้ถึงบิโ ม, มได้ประการที่4ส่วนประการที่5คือการทาสมาธิเลยไม่ว่าจะในรูปแบบการนั่งรูปแบบการเดินหรืออาจจะไม่ได้มีรูปแบบในขณะที่เรากําลัง ทำงานนั่นนี้อยู่แล้วถ้าเกิดมีสมาธิมิมิท์อย่างไรอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเออแล้วจิตเป็นอารมณ์เดียวพวกนี้จะทำให้สามารถมีความพ้นเกิดขึ้นได้ในประการที่5นี้ก็คือจะเน้นมาเรื่องของการทำจิตให้เป็นอารมณ์เดียวมีความสงบในทั้ง5ข้อนี้ทุกฝังจะเป็นเหตุให้ถึงความหลุดพ้น ให้ละอาสวักิเลสได้ให้บรรลุธทรได้เราเรียกว่าวิมุตตมฟังวิมุตต์ประบาดผลอยู่เหนือการควบคุมของตาหูจมูกลิ้นกายและใจอยู่เหนือการที่จะต้องสะดุ้งไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกแต่นี้มาประเด็นที่สำคัญในเอพิปปซดนี้ตัวฟังในช่วงใต้ร่มโอดีบดีก็คือว่า ถ้าเรามี5ประการนั้นแล้วเนี่ยรามี5ประการันแล้วเนี่ยกระบวนการที่5อย่างนี้ทำให้เกิดความหลุดพ้นได้เนี่ยมันมาอย่างไงเ อ, อตรงนี้ซึ่งในแต่ละข้อแต่ละข้อทั้ง5ประการที่ได้พูดไปเมื่อสกรูเนี่นะจะให้เกิดโดมิโนเอฟเฟ t คือเหมือนกับ ว, ว่าไล่เป็นขั้นขั้นไล่เป็นกันขั้น เหมือนตัวโดมิโน่เมันตกลงอันหนึ่งใช่ไหมอันหนึ่งก็ตกลงตามตกลงตามลม้มลงลม้มลงไล่ไปไล่ไปแต่โดมิโนเอฟเฟกต์อันนี้มีตัวเริ่มต้นที่ไม่เหมือนกันห่างอย่างที่ว่านี้จุดเริ่มต้นแตกต่างกันมีหประการแต่สายการไล่ไปจนถึงวิมุตของมันเหมือนกันทั้งหง จุดเริ่มต้นมีมา5อย่างไม่เหมือนกันใช่ไหมแต่พอมีการคิกสตาร์ทคิกออฟเตะเริ่มต้นตัวแรกแล้วที่ไม่เหมือนกัน5ตัวเนี่ยตัวในตัวหนึ่งก็ได้ตัวต่อต่อมาตัวต่อต่อมาเออมันเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยจึงต้องการนำกระบวนการตรงนี้แหละตุกฝั่งมาอธิบายในอีพิโซดนี้แล้วพอมีอันใดนหนึ่งใน5้าอย่างนี่เนีย่ย สิ่งที่สำคัญที่ต้องเกิดถัดมาที่จะเหมือนกันในธรรมะทั้ง5ประการเลยนะก็แรกก็คือจะทำให้เกิดความเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะจากเหตุอันใดอันหนึ่งใน5ประการตามที่ว่ามาแล้วนั้นที่เข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะในอันไหนในอันไหนก็ได้ที่เราได้เคยฟังมาได้เคยเล่าเรียนมาจำได้ มีความเข้าใจด้วยดีด้วยปัญญาอย่างชัดเจนคือบางทีเรื่องที่เราคิดอยู่เนี่ยเราพยายามทำความเข้าใจใเรื่องนี้แต่บางทีมันกลับไปเข้าใจอันอื่นที่เราอาจจะจำไม่ได้ตอนนี้แต่ว่าเคยจำได้มานานแล้วกว็ได้ความเข้าใจตรงนี้เหมือนเกิดได้อาจจะไม่ได้เกิดจากตรงบทที่เราพยายามสวดอยู่ตอนนี้เช่นตอนนี้สวดบทพาหุงอยู่ หรือตอนนี้สวดบทธรรมาจักอยู่แต่ความเข้าใจมันจะไปเข้าใจเรื่องสีอย่างนี้ไปต้นเออเป็นไปได้จุดที่เป็นตัวทริกเกอร์เป็นตัวเริ่มต้นคือ5ประการใช่มขั้นตอนข้อที่หนึ่งที่จะเหมือนกันเลยคือมีความเข้าใจอัตถเข้าใจธรรมะในธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราได้เคยเรียนมาแล้วที่เราอาจจะเคยทรงจำได้ ที่เราจะมีความเข้าใจมาแล้วระดับหนึ่งแล้วเรามีความเข้าใจในอัตตาธรรมะก้อนั้นลึกซึ้งลงไปนี่นี่คือประการที่1ประการที่สองถัดมาที่จะเป็นดมิโนเอฟเฟ t ตัวถัดมาก็คือว่าพอมีความเข้าใจลึกซึ้งลงไปแล้วก็จะมีปราโมดปราโมดนั้นคือความที่รีว่าสบายใจมันมีความร่าเริงใจ มีความแจ่มใสโอ้ยข้อนี้เป็นอย่างนี้นี่เองเหมือนมีคนชีข้ขุมทรัพย์ให้โอ้ดีใจเจอแล้วนี่ปราโมดนี่จะเป็นข้อที่สองแบบว่ า, ามันไม่ได้เจอญาติที่ห่างเหินกันไปนานโอ้ยแล้วเรามาเจอกันในที่ที่มันเซอร์ไพรส์เนี่ยไม่คิดว่าจะมาเจอในที่นี้เจอเพื่อนเจอญาติที่ว่าวันทีเราไปต่างประเทศแล้วก็เจอกัน ไปเจอกันในสถานที่ที่ไม่ได้นั้นหมายเป็นต้นจะเกิดความปราโมทขึ้นเหมือนบบว่าเหมือนกระโดดโลดเต้นขึ้นดีใจราเริงแจ่มใสมากนี่นี่คือขอ้ อ, ขอที่สองถัดมาข้อที่สถัดไปก็คือว่าเมื่อปราโมทแล้วจะมีปีติปีติคือความอิมเบิร์ใจความสบายใจอิมเบิร์ใจสบายใจต่างกับปราโมทยังไงปราโมทนั้นมันจะยากกว่า ปีติเป็นความสุขที่ละเอียดกว่าลงมาคือชอปีติเนี่ยมันจะมีอยู่สองประเภ ท, ทตัฟังคือปีติที่อาศัยเครื่องล่อคือยังเป็นอามิตรเช่นต้องเอาอาหารมาล่อต้องกินอาหารประเภทนี้ถึงจะมีความสบายใจความอิ่มเอิบใจต้องให้คนนี้เข้ามาพูดกับเราอย่างนี้เราถึงจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจต้องให้สถานการณ์นี้ต้องฟังดนตรีแบบนี้ นี่คือปีติชนิดที่ยังมีเครื่องรอกับปีติชนิดที่ไม่อาศัยเครื่องลอละ่ะเรือปีติที่เป็นนิรามิตรคือเกิดจากในภายในอย่างแท้จริงซึ่งในที่นี้ก็คืออะไรคือปราโมชไงปราโมชเกิดจากตรงไหนเกิดจากที่เราได้ฟังธรรมเกิดจากที่เราได้แสดงธรรมเกิดจากที่เราได้ท่องบทแห่งธรรม ทองในที่นี้คือสาัชายะเกิดจากที่เราได้ไตรตรองใกล่ควรอันนั้นเกิดจากที่เราก็ได้ทําสมาธิแล้วเกิดความเข้าใจอันใดหนึ่งอย่างนั้นขึ้นม า, าประการแรกนั้นเป็นตัวทริกเกอร์เป็นจุด k ิก k start kick off ที่ไม่เหมือนกันแล้วมันทาให้เกิดปราโมทในข้อที่สจึงส่งผลให้เกิดปีติในข้อที่3นี่ทากฝังปราโมทจึงเป็นลักษณะความ ปราเริงแจ่มใสที่เป็นเพรอาศัยคเครื่องล่ออื่นมาเป็นเหตุแล้วเข้าสู่ภายในละตรงจุดที่ว่าไม่มีคเครื่องล่อไม่มีคเครื่องล่อที่เป็นนิรามิตปีตินี้น่ะที่มาจากภายในภายในคือภายในอย่างนี้ตั้ังคือบางทีเราอาจจะดูเหมือนว่าไอ้มันสุขในใจยังบอกไม่ถูก happy for no reason คือแบบว่าสุขโดยไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่ใใจิตใจทั้งว่า อิมเอิบใจสบายใจขึ้นมาในความอิม่มเอิใจสบายใจขึ้นมามันไม่ใช่ว่าไม่มีเหตุไม่มีผล น, นะแต่มันไม่ได้ใช้เหตุผลจากภายนอกไงไม่ได้ใช้อาหารไม่ได้ใช้ดนตรีแบบนี้แต่ว่าเกิดจากภายในยังไงนะนี่แหละนี่แหละปีติชนิดที่เป็นนิรามิ จ, จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีปราโมทเกิดจะมีปราโมทได้ก็ต้องอาศัยความเข้าใจอัตธรรมะ จะมีความเข้าใจอัตถธรรมะได้ก็ต้องอาศัย5ประการตามที่ว่าไปตนตอนต้นรายการนี่จึงจะเรียกว่าเป็นปีติที่เป็นนิกรามิตรเชื่อมต่อกันมอย่างนี้อสายการที่เป็นภายในคือเป็นนิกรามิตรจะต้องมีปราโมทที่ว่าจะอยู่ภายในอาศัย5ประการเหล่านั้นเป็นเหตุเกิดขึ้นมาปีติชนิดที่ไม่เป็นอามิตร เป็นนิรามิตีตี้ะหวังจิตใจถ้าเรามีแล้วนี่มันจะมีความนุ่มโนวนลงหมายความว่ามันไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอกมาเป็นเุญแล่อให้เกิดความสุขแล้วไง่ป้องอาศัยสิ่งงั้นไป้องอาศัยสิ่งนี้จิตมันก็มีความสุขอยู่ในภายในของเขาอยู่แล้วความสุขที่เกิดขึ้นในภายในในตวังจะทำใเกิดความสง บ, บระ ง, งับจิตก็จะมีความระ ง, งับลงบระ ง, งับลง ความระ ง, งับตรงตรงนี้ตรงฝังก็เรียกว่าเป็นปัสสธิมีความสงบระ ง, งับมีความสงบระ ง, งับทั้งทางกายมีความสงบระ ง, งับทั้งทางจิตความสงบระ ง, งับปัสสติก็จะมีผลจะไม่เกิดได้ความสุขในภายในปีติกับสุขนี้ก็ไม่เหมือนกันนะปราโมทกับปีตินี้ก็ไม่เหมือนกันใช่ปะปราโมทคือยากกว่าปีติเพราะมันเป็นเหตุและผลของกันมา ยังประกอบด้วยความร่าเริงความรื่นเริงในธรรมหรือถ้าก่อนหน้านี้ความเข้าใจอัตตาความเข้าใจธรรมะนี่ที่มันเกิดขึ้นได้มันก็ยังต้องเป็นความคิดนึกไงตามเรื่องที่เราได้เรียนมาเไอ้รู้มาถ้าเรียรปราโมทกับความคิดเอาความคิดนี่ยากกว่านะเพราะมันยังต้องเป็นคําพูดเป็นเรื่องรามีตัวบุคคลหรือสถานการณ์หรือเหตุการณ์ ความคิดก็ยาบ ก, กว่าตัวปราโมทปราโมทก็ละเอียดกว่าความเข้าใจธรรมนั้นปราโมทก็ยังยาบ ก, กว่าปีติปีติก็ละเอียดกว่าปราโมทนั้นเช่นเดียวกันว่าความสงบระงับมันระงับลงแล้วเนี่ยมันก็ละเอียดกว่าปีติไงปีติก็ยังยาบ ก, กว่าความสงบระงับคือปัจเจติ ความสงบระงับที่เกิดขึ้นทางกายด้วยความสงบระงับที่เกิดขึ้นทางใจด้วยก็จะให้เกิดความสุขความสุขในที่นี้ท่างเจาะจงเอาหมายถึงความสุขที่เกิดจากในภายในเป็นองค์ประกอบของฌานเป็นความสุขที่ลึกซึ้งละเอียดกว่าปีติลงไปอีกคือเจ้าจะจะไล่ถึงความต้องกระโดดโลดเต้นนี่นะปราโมดโอ้กระโดดโลดเต้นมากที่สุดเลยปีตินี่ก็รองลงมา ยังแบบว่ามียิ้มเห็นฟันอยู่ยังแบบว่ามีริ้วตีนกาเกิดขึ้นหัวเราะน้อยน้อยแต่ถ้าปราโมทนี่โอ้หัวเราะคำโตเสียงดังดีใจตีมือปรบมืออย่างนั้นปีตินี่ก็เบาลงมายิ้มยิมใช่ไหแต่สุกี่นิ่งเลยทุกฝังแบบว่าก็ไม่ได้นิ่งแบบจนไม่เห็นการเคลื่อนไหวอะไรนะ แต่ยิ้มแบบไม่เห็นฟันหน้าตาแจ่มใสอันนี้คือลักษณะของสุขที่เลียดไปกว่านั้นก็มีคืออุเบกขาอุเบกขานี่เราก็จะเห็นว่าหน้าตาไม่ยิ้มเลยยืนเฉยๆนิ่งๆไม่ไหวติงใดๆเป็น อ, อุเบกขาแต่สิ่งที่กําลังพูดถึงอยู่จุด น, นี้คือความสุขสุขในภายในจะมีความละเอียดลงมาอีกเอ๊ะทำไมถึงเกิดความสุขได้เพราะว่ามีความสงบประงับนั่นคือปัสติในทุวัง มีความสงบระ ง, งับมีปัสถิจึงทำให้เกิดความสุขชนิดที่เป็นองค์ประกอบของฌานพอมีความสุขแล้วจิตจะตั้งมั่นเป็นอารมณ์อันเดียวตั้งมั่นระดับนี้นะคือในระดับของฌานในนั้นฟังควมว่าระดับของฌานเนี่ยหมายถึงว่าก็คือสมาธิแบบที่เราไปเรียนหนังสือเราสอบเราขับรถเราประชุม เราพูดคุยกับใครเราสามารถโฟกัสลงไปในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้นี่คือสมาธิแบบทั่วัวไปซึ่งสมาธิทั่วทั่วไปชนิดที่มีความคิดเวลาเราเดินทางเวลาเราทำงานหรือเวลาเราติดต่อผู้คนต่างๆนี่ถามว่ามันไม่ใช่ฌานเหรอฌานคือการเพ่งคือการที่เราให้จิตเป็นอารมณ์เดียวใช่ไหม ความลึกซึ้งลงไปของมันก็มีไงความลึกแบบว่าผิวเผินไม่ลึกมากทั่วไปก็ อ, อย่าที่ว่าไปเป็นสกักครู่คือสมาธิในชีวิตประจำวันให้ลึกลงไปอีกมันก็ต้องมีความราเริงยินดีแจ่มใสไม่ต้องขึ้นกับสิ่งภายนอกก็เป็นลักษณะของปราโมทไหลมาทางนี้แหละแล้วก็ถ้าละเอียดลงไประ ง, งับลงไปอีกก็เป็นปีติ ระงับลงไปอีกก็เป็นปัจจัยระงับลงไปอีกก็เป็นความสุขระงับลงไปก็เป็นอุเบกขาละ่ะแต่ในที่นี้นะทุกฝั่งจ้าเราดูองค์ประกอบทั้งหมดที่ทันได้ว่ามานี่ว่ามีความสุขแล้วจิตย่อมตั้งมัน่นลักษณะทั้งหมดนี้คือเป็นเริ่มจากฌานที่หนึ่งนะเพราะว่าฌานที่หนึ่งเนี่ยองค์ประกอบของอุเบกขาเนี่ยไม่มีคือเป็นจุดเริ่มต้นไงของชานหนึ่ง อาจจะละเอียดลงไปจากชานหนึ่งไปอีกก็เอาความคิดนึกออกใช่ไหมเอาความคิดนึกออกมีปีติมีสุขแสดงว่าในที่นี้เป็นจุดที่ไล่มาจากชา้นหนึ่งไปชานสองแล้วถ้าเราเอาปีติออกด้วยเหลือแต่สุขให้มันเต็มขึ้นก็เป็นชา้นสซึ่งในชาน3ที่ว่ามีสุขเนี่ยมันก็แบบว่ า, า, านิ่งๆอะไใช่ไหมล่ะก็เป็นสุขที่ไม่ได้เกิดจากความคิด ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจธรรมะนั่นล่ละแต่ว่าเป็นความสุขที่เกิดจากในภายในของเราจริงๆละมีความสุขแล้วในภายในแล้วตรงนี้คืออุเบกขาสุขนะทุกฝังเป็นอุเบกขาสุขถ้าเราเอาสุขที่เกิดจากอุเบกขานั้นออกไปหรืออุเบกขารุ่นล้วนนถึงจะขึ้นค่อยเป็นชาดสีขึ้นมาสิ่งที่น่าสนใจ เป็นจุดสังเกตข้อหนึ่งตรงนี้ต้วงฝังก็คือว่าพอมาถึงประการที่6ตรง น, รง น, รงนี้หนึ่งจะไม่ความเข้าใจอิทธิรรมะ 2. คือปราโมทสาคือปีติ 4. คือความสงบระงับ 5. คือสุขหคือจิตตั้งมัน่นถ้ามาถึงตรงจิตตั้งมั่นนี่จะไม่มีความคิดแล้วนะไม่ใช่ต้องมีวิตรวิจาร์ คือความคิดนั้นเกิดตั้งแต่ในข้อที่หนึ่งแล้วที่ว่าเข้าใจอัตถะเข้าใจธรรมะที่เราได้เคยฟังมาได้เคยเรียนมาได้เคยรู้มาเพราะว่าที่ถ้าเราได้ฟังมันก็เป็นคำพูดที่ถ้าเราได้เรียนมันก็เป็นตัวหนังสือเป็นตัวอักษรยังเป็นลันกษณะของวิถกวิจาร์อยู่ไงพอมีลักษณะของวิถกวิชารแล้วจะเข้ามาสายภายในตงมาทางปราโมท เป็นสายภายในเข้าสู่จิตใจไม่ได้ต้องอาศัยภายนอกละกระบวนการที่เข้าสู่ภายในไม่ขึ้นอยู่กับปัจจัยภายนอกกระบวนการที่จะให้วิจกวิชามันหายไ ป, ประงับไปคือต้องมาทางปราโมทปีติเกิดความสงบระงับเกิดความสุขตั้งมันอย่างนี้เพราะถ้าเราดูแล้วนะว่าเฮ้ยนนี้มันเป็นวิธีการที่จะ เลื่อนขึ้นนะจากชั้นหนึ่งไปชั้นสองเลยนะเพราะว่าชั้นหนึ่งยังมีวิตกวิจารเนียแต่ชั้นสองนี่ไม่มีล้ละมีปีติสุขมีการที่จิตเป็นอารมณ์เดียวเออเราจะมาสายทางนี้ได้ก็ต้องให้มีปราโมทเกิดขึ้นมีความแบบอิ่มเอิบใจความสบายใจปีติเกิดขึ้น แล้วต่อไปก็จะทำให้จิตเป็นหนึ่งขึ้นมาที่น่าสนใจประการต่อไปคือว่าพอเรามีลำดับขั้นเป็นโดมิโนโ6รายการ6ขั้นตอนหตัวนี้มาแล้วจนถึงจิตตั้งมันแล้วมนันลุ์พ้นยังไงเนี่ยหลุดค้นรดับแรกก่อนตัวฟังคนจากหัตถะภายนอกคนจะดาจะว่าเราบนละเหนือละ ลเหนือแล้วเนี่ยคือวิมุตติอากาศจะร้อนจะเย็นเราจิตใจไม่สะดุ้งสะเทือนสั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของเสียงนั้นละตามอากาศอุณหภูมิร้อนเย็นนั้นละนี่คือหลุดพ้นแ ล, ล้วข้อที่หนึ่งหลุดพ้นนี่คือแบบว่ายังกลับกำาเริบได้ไงเป็นแบบว่าหลุดพ้นชั่วคราวเฉยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าวันไหนจิตไม่เป็นสมาธินะ เออจิตไม่ต <k expectancy htaking phalt> ั <enrolled> ้งมั่นเพราะสมาธิก็เสื่อมดามกันศีลสมาธิปัญญาพวกนี้เสื่อมได้หมดนะเราทำไมถึงท่านว่าอย่างนั้นผมก็ทําเมื่อก่อนเราไม่มีศีลเดี๋ยวนี้เรามีศีลเอาแสดงว่ามันเที่ยงเราไม่เที่ยงล่ะถ้าเมื่อก่อนเราไม่มีสมาธิเอาเดี๋ยวนี้เรามีสมาธิอาสดงว่ามันเที่ยงเราไม่เที่ยงล่ะเมื่อก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีมาผมก็ไม่เที่ยงสิท่านเพราะว่าเมื่อก่อนมันยังไม่เกิดเดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วหลายที่เกิดขึ้นมาแล้วมันจะดับไม่ได้ไหม โอยแน่นอนไม่มีอะไรจะอยู่ถาวรแน่แม้สิ่งที่ดูเหมือนมันคงถาวรจุดรังยั่ง ย, งยืนมันก็มีอายุของมันมันก็มีเหตุปัจจัยเงื่อนไขของมันเหตุปัจจัยเงื่อนไขอยู่ยาวน้นเท่าไหร่มันก็ตามนั่นแหละแต่เหตุปัจจัยเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงไปมันก็ดับไปหาไปเหมือนกันถ้าอะไรที่มีเหตุมีเงื่อนไขปัจจัยเช่นศีลสมาธิอะไรปัญญาเป็นต้นมันก็เสื่อมได้ไม่เที่ยงได้ แล้วก็ถ้าพบว่าสมาธิเสื่อมไปแล้วเนี่ยไอ้ความที่เราก็จะกลับไปสะดุ้งสเทือนตามการเ ป, ปลี่ยนแปลงของภาษาภายนอ ม, มันก็กลับมาอีกความสะดุ้นั้นก็มาอีกไงเอาที่ว่าพ้นไปไดี้กมันกลับกาเริบแล้วไม่พ้นแล้วไม่เหนือแล้วเอาไม่พ้นไม่เหนือมีชั่วกราวก็อ ย, อย่างนี้ช่วเวลาที่เรายังตั้งสติเกิดเป็นสมาธิขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้นะทุกฝั่งเป็นตัวทดสอบได้ไง ว่าจิตเราเป็นสมาี่ไหมว่าถ้ามีเรื่องที่น่าพอใจหรือไม่น่าพอใจเกิดขึ้นภายนอกแล้วเราจะสะดุ้งไหมหวันไหวไหมวิ่งเต้นไปตามเรื่องนั้นไหมโอ้เกิดเรื่องใหญ่แล้วงานเข้าแล้วนั่นนี่นอนอนี่ก็แสดงว่าจิตยังไม่สมาธิเต็มที่คือถ้าแบบไม่มีเลยนะมันจะ ตกใจร่ำให้กร่ํากรวนทุบ อ, อกโชคตัวเลยล่ะจนทำอะไรไม่ถูกอ่ะแต่ถ้าเออพอมีบ้างคือคนเราที่ว่ามีหรือไม่มีสมาธินี่มันก็ไม่ใช่ว่าร0 0เปซ็นต์เป็นศนย์เป็นเปิดปิดอะไรอย่างนั้นเลยแต่มันก็จะเป็นลักษณะว่าครึ่งๆกลางกลางกัมกึ่งกนะอาจจะมีสัก 50% าในความที่จะวันไหวตามการเปลี่ยนแปลง มันก็จะลดลงไอ้ที่แบบยังสะดุ้งสะเทือนอยู่ก็ยังมีบ้างก็จะไล่ไปตามกําลังของสมาธิกําลังของสติที่เรามีว่าจิตเป็นอารมณ์อันเดียวมากน้อยขนาดไหนความลึกซึ้งดื่มด่าลง ไ, งไปตรงนี้แหละคือทั้งหกขั้นตอนนี้วิมุตต์เกิดขึ้นตรงที่จิตเป็นสมาธิได้วิมุตต์คือหลุดพ้นจากเรื่องของกามที่ต้องไปตามต า, มตามหูจมูกลิ้นและกายละตัดมาทุกฝัวว่ง ที่ว่าวิมุตตถัดมาอีกก็คือพ้นจากอำนาจของกิเลสกิเลสนั้นเกิดจากผัสะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงลักษณะของความโลภนั้นก็จะทำให้จิตของเรานมันอยากได้มันหิวโหวยมันต้องการมันหิวจะเอาไว้ได้อย่างที่สองโทสะคือความร้อนความที่จิตจะต้องรุ่มร้อน อยู่ไม่เป็นสุขโกรธขึ้นมามีความแค้นเคืองพยาบาทไม่พอใจนี่ลักษณะความโกรธอันที่สามคือความหลงความหลงคือความไม่เข้าใจสถานการณ์ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรมีมาททำไมเกิดไม่ได้อย่างไงความอากตันยูความขี้เกียิ ความไม่สนใจไม่ใส่ใจไม่มีหิริโอตปาพวกนี้คือโมหะความหลงทั้งสิน้นจิตที่เหนือจากราคาโทสะโมหะไม่ใช่ว่ามันไม่เกิดไม่มีนะราคาโทสะโมหะบางทีมีภัสสะมันกระทบมันอาจจะ ก, กระตุ้นให้มีอิเลสตามที่จิตนั้นเคยถูกอบรมมาเกิดขึ้นแล้วแต่มันไม่เข้าถึง จิตของเราเหมือนมีเยื่ออะไรบางๆมาหุ้มอยู่ก็คือเช่นดอกบัวหรือใบบัวนี่แหละที่เวลาโดนน้ําแล้วมันจะแยกออกจากกันไม่เปื้อนกันเพราะมันเหมือนมีนาโนเทคโนโลยีอะไรมาเคลือบเอาไว้ลักษณะที่จิตอยู่เหนือภาระต่างๆแม้ว่าจะมีเรื่องราวมากระทบแล้ววางได้ อยู่เหนือได้จากกิเลสนี่คือประการที่สองนี้กิเลสเรื่องเศร้าหมองใจจะทำจิตใจทำปัญญาของเราให้ถอยกำลังอยู่เหนือจากกิเลสได้ซึ่งความอยู่เหนือนี้ก็ต้องประกอบด้วยปัญญาท่านจึงมักจะใช้สองคำนี้ด้วยกันนะฟารมคือวิมุตและวิชาท่านจะเรียกว่าเป็นวิชาวิมุต วิชาคือความรู้วิมุติคือความพ้นก็จะเป็นเหตุผลของกนและกันหมายความว่าคุณจะมาวางได้พ้นได้เหนือได้คือวิมุตติได้ก็ต้องมีความรู้คือวิชาไม่ใช่ว่าจะต้องแบบเรียนจบสูงๆแต่วิชาในที่นี้คือปัญญาวิชาในที่นี้คือแสงสว่างวิชาในที่นี้คือความเข้าใจ ก็เข้าใจตังแต่แรกแล้วไงเออไงเข้าใจอาาัตถเข้าใจธรรมะตามที่อะไรเราได้เคยเรียนมาตามที่เราได้เคยฟังมาตามที่เราได้สอนเข้าไปตามที่เราได้ออกเสียงนั้นตามที่เราได้ไตรตรองตริตรึตรกใครกลวนหรือการที่เราพยายามทำสมาธิแล้วมันเกิดความเข้าใจในธรรมะได้หนึ่งยังไง้อใดก็ไ ด, ไดไ้ได้หมด ตัวทริกเกอร์มี5อย่างจุดเริ่มต้นมาแตกต่างกันแต่สายการเข้าสู่จิตใจใเกิดปัญญานั้นเหมือนๆกันในกรณีประเด็นถัดมาที่น่าสนใจในลาดับขั้นที่6เมื่อจิตมีความตั้งมั่นแล้วลักษณะการหลุดพ้นที่นอกจากว่าหลุกพ้นจากภาษาภายนอกหลุดพนะะ้ น, ดพนจากกิเลสที่เกิดขึ้นยังมีลักษณะหนึ่งที่สําคัญคือว่า มันกลับกําเริ่บได้หรือไม่กลับกําเริ่บได้ไหมได้คำฟังถ้าว่ามันยังมีอวิชาอยู่เอนเปรีย บ, บเทียบไว้เหมือนกับเวลาที่ต้นไม้มันเติบโตขึ้นมาเนี่ยนะแล้วเราไปตัดที่โคนต้นมันแล้วเลยเนี่ยไอ้ถ้าระบบรากของมันยังมีอยู่ผ่านไปฝนสองฝนหรือสักระยะเวลาหนึ่ง เมืนก็จะมีตามีใบมีกิ่งอะไรมันงอกขึ้นมาจากตัวต้นนั้นดูได้อย่างต้นยูคาลิปตัสอย่างเงี้ยคนดํำศูนอยู่คาคุณไปตัดออกมาแล้วเอาตรงต่อมาเลยละมันก็เติบขึ้นมาอีกเป็นรอบที่สองรอบที่สามไปรอบที่สองก็ไปตัดมาทําเป็นไม้แบบอื่นละรอบที่สามก็อาจจะยังใช้ได้กับต้นกุลูกใหม่อย่างงี้ไอ้จุดทีนกลับกําเริบยัง ม, มีได้จะไม่ให้กลับกําเริบได้ ไม่ว่าจะไปติดกับภาพเสียงตาหูหรือกิเลส ท, ที่มันเกิดขึ้นมาแล้วหลุดออกอย่แต่ว่าพอเวลาถัดมาอาจจะไปพีกลึกกลัวอีกเนี่ยนะต้องเข้าสู่นิพพานท่านึงเกยได้ตรัส บ, บอกไว้กับอุณาภพรามอุณาภพรามในตามแล้วว่าวิาวมุตต์แล้วยังไงต่อคนแล้วยังไงต่อวิมุตต์มันจะทำให้ไปต่อที่ไหนได้ท่านอธิบายว่าวิมุตตเนี่ยจะเป็น เครื่องที่ให้แล่นไปเข้าหาไปสู่นิพพานไงนิพพานนิพพานเนี่ยจึงมีวิมุตติเป็นที่ตั้งอาศัยวิมุตติต้องเป็นที่แล่นไปสู่ของนิพพานวิมุตติมันจะทำนำผลักดันจิตใจของเราให้สู่นิพพานตัวนิพพานในที่นี้พระพุทธเจ้าหมายถึงนิพพานตัวแม่เลยนะ คือตัวนางพญาเลยล่ะคือตัวที่สุดเลยล่ะที่สําคัญที่สุดนั่นคือตัวสุดท้ายเลยทุ่ฝฟังเหมื่อพูดถึงก็คือเป็นบอสในเกมด่านสุดท้ายเลยเพราะว่าจริงๆแล้วนิพานเนี่ยไล่มาตั้งแต่เริ่มต้นเบสิคเบสิคจริงๆตั้งแต่ตอนที่เราฟังธรรมะจิตใจเราน้อมไปมีความเลื่อมใสเนี่ยเรานิพานละนิพานจากความคิดฟุง้งซ่านนิพานจากความวุ่นวาย นิพพานจากความง่วงละความง่วงนี่มันดับไปแล้วไงนิพพานจะแปลว่าเย็นแปลว่าดับไปแปลว่าสิ้นไปได้หมดความที่มันสิ้นไปแห่งความสงสัยสิ้นไปแห่งความต้องไปทางกรมสินส้นไปความง่วงซึมนัน่นคือนิพพานได้นิพพานจากเรื่องของรกรรมก็เป็นชานหนึ่งนิพพานจากวิตกวิจารก็เป็นฌานสองนิพพานจากปีติกเป็นฌานสาม นิพพานจากสุกเบนชาญสีนิพพานจากรูปทั้งหมดก็เข้าสู่อรูปละเป็นอากาสารนันใจยตนะเป็นต้นเป็นวิญญาณนันใจยตนะต่อมาไล่ไปเรื่อยๆนิพพานก็เป็นขั้นเป็นขั้นไปแต่ถ้าสุดท้ายเลยนะคือความที่ว่า น, นิพพานไล่มาเป็นขั้นเป็นขั้นเนี่ยคือกิเลสมันลดลงลดลงลดลงหมดแล้วไงการที่เรามั้งแต่ปราโมดปีติปัสสิสุนิ กิเลสมันลดลงลดลงตามขั้นตอนนี้แล้วเลยนะเอาเพร้อมมีความละเอียดลงไงทุกัง่งไอ้จากหยาบหยาบมาละเอียดนี่แสดงว่ากิเลสมันลดลงจากละเอียดขึ้นมาหยาบหยาบแสดงว่ากิเลสมันเพิ่มขึ้นมันลดลเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มลดลดนี่มันได้ขึ้นขึ้นลงลงซ้ายขวาลงลง ข, ขึ้นขึ้นเกิดขึ้นได้ตามอะไรเงื่อนไขปัจจัยมันจะเป็นเหตุที่ว่าทําไมเราต้องทาซ้ํำทำย้ําอยู่เสมอเสมอไงตรงฝั่ง พอเราทำซ้ำทำย่ำอยู่เสมอสติที่เราตั้งขึ้นก็จะมีวิมุติเป็นที่แหล่งไปสู่วิมุตินี่ก็จะมีนิพพานเป็นที่แหล่งไปสู่ผานสุดท้ายนู่นเลยพ อ, อนิพพานสุดท้ายจิตร่มเย็นไม่สะดุ้งแล้วก็ไม่กลับความเริบด้วยคือเป็นวิมุติที่สุดท้ายจริงๆพ้นจริงๆจากทุกได้เหนี่ยววังเพราะจิตตั้งมั่น ไม่ประมาทเกิดวิมุตบรรลุ ธ, ธรรมกระบวนการตามนี้ด้วยเหตุต่างกัน5ประการเพราะฉนรูปแบบการปฏิบัติธรรมนีา่ามันจึงมีหลากหลา ย, ยาบางคนเน้นสวดมนุกุญจะไปอว่าไอ้พวกสวดม น, นี่โอ้โหท่องเข้าใจเปล่าก็ไม่รู้ไม่แน่นะยอย่าพูดอย่างนั้นเพราะความเข้าใจมันอาจจะเกิด ในบทอื่นๆที่เขาอาจจะไม่ได้ท่องอยู่นั้นก็ได้ตามที่เนาได้เคยฟังมามีปราโมดมีตีก็หลุดพ้นได้พวกที่ไม่ท่องก็อย่าไปว่าพวกที่ชอบท่องชอบสวดพวกที่ชอบท่องชอบสวดเห็นคนอื่นสวดไม่ได้จะไปตีเตียนเขาว่าโอ้บทง่ายๆอย่างนี้ทำไมจำไม่ได้ก็ไม่ควรเพราะว่าเขาไม่ได้สวดก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะไม่ได้ฝึกทาจิต หรือเขาจะไม่อ่านหนังสือธรรมะอันอื่น เ, เขาก็อ่านหนังสือธรรมะมีความเข้าใจข้อใดข้อหนึ่งในเรื่องที่อ่านหรือเรื่องที่เคยอ่านมาแล้วหรือเรื่องที่อาจจะลืมไปแล้วแต่ตอนนี้มันนึกขึ้นมาได้เพราะได้อ่านก็จะมีปราโมทมีปีติมีความสง บ, บระงับเป็นสุขจิตเป็นสมาธิเห็นทาได้เหมือนกันนะคือการต่อว่าติเตียนกันมันไม่กวรําเลย เราควรแต่จะมีการสนับสนุนกันควรมีการพัฒนาในตัวเองเราแทนที่จะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบ่าคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นทำไมคนนี้ก็เป็นอย่างงี้หรือเราไปแข่งกับเขาว่าทําไมเขาไม่ทําอย่างนั้นหรือทําไมเขาควรจะทําอย่างงี้แต่ว่าเราแข่งกับเราเปรียบเทียบกับเราดูกับตัวเราเองเมื่อวานนี้นะว่าเออวันนี้ฉันดีขึ้นกว่าเมื่อวาน น, นี้ไหมดีขึ้ น, ห, นหมายถึงมีการพัฒนาแล้วไหม เปรียบเทียบกับตัวเราเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ย อ, อ้าอาทิตย์ที่แล้วคุณนทำสมาธิปะ่ะเอยทําแล้ววันนี้ทำปะ่ะยังไม่ได้ทําเอา้าแย่ลงแล้วเนี่ยอา้างั้นก็ทําให้มันเท่าเดิมเออเท่าเดิมดีาทาให้มันดีขึ้นได้ไหมทำขึ้นดีเรรื่อยคราวที่แล้วฉันสวดบทนี้ไม่เห็นเข้าใจเลยคราวนี้เราทําไม่ดีขึ้นงั้นก็สวดแปลดูอาจจะได้เข้าใจบ้างเออเราเนี่ยเปรียบเทียบกับตัวเราเองเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว เอาเดือนที่แล้วดูอ่เดือนที่แล้วนี่สวดด้วยเสียงแบบนี้เอมันเป็นอย่างนี้ลองสวดเสียงแบบใหม่ก็มีวิธีการแบบยังไงสัจชาญาทายัางไงเราก็พัฒนาขึ้นหรือเอเดือนที่แล้วนี่ฉันทำความเพียรรูปแบบนั้นเีตอนนี้จะเอาธุ ด, ดงควัดข้อนี้มาทำเราก็ปรับเปลี่ยนดูการปรับพัฒนานคือไม่ได้เปรียบเทียบกับคนอื่นแต่ว่าดูกับตัวเราเองเมื่อ เดือนที่แล้วดูปีที่แล้วดูอา้าวจากเมื่อวานสัปดาห์เดือนปนีเรามีการพัฒนาเปลี่ยนแป ล, ปลงหรือแก้ไขอย่างใดหรือไม่เียระวังเราก็จะไม่ได้เพิ่งโทษติเตียนใกลแต่จะเกิดการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ น, นั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพลิบทนี้ก็ได้นําเสนอกระบวนการรวังสรุปนะนี่คือการสรุป เป็นกระบวนการที่จากภายนอกเข้าสู่ภายในกระบวนการความละเอียดลึกซึ่งลงของธรรมะที่ปรากฏขึ้นแล้วให้เกิดปัญญาในภายในอย่างไรให้เกิดความหลุดพ้นมีมุตขึ้นอย่างไรกระบวนการทั้งหมดนี่คือมีปัญญาเกิดละให้เกิดการหลุดพ้นอย่างนี้นั่นเองมูลนิธิปัญญาภาวนารวมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จะได้นำช่วงใต้ร่มปริบทนี้มาพบกับธรรมฟังเป็นประจำในทุกวันพุธตั้งแต่เวลาตี5้ถึงหโมงเชา้าโดยมีข้าพเ้าพระมหาไยบูรณ์อภิปุโ น, โนเป็นผู้ดำเนินรายการธรรมฟังสามารถที่จะติดตามรระฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือไปที่เว็บไซต์ก็ได้ที่ปัญญา .org หรือตามสื่อโซเชียลมีเดียจะเป็น Facebook Fanpage หรือ YouTube Channel ทวารังกก็สามารถเลือกติดตามพระฝังได้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุดาภรณ